มงกุฎไพรเล่มสามตอนที่199เป็นเวลาสายพอสมควรทีเดียวเหมือนทางฝ่ายมรกรนครจะปล่อยให้คณะอาคาันตุกะผู้ทรงเกียรติซึ่งย้อนกลับมาเยือนได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่โดยไม่ได้แจ้งหมายกำหนดการใดๆมาให้เป็นที่รบ ก, กวนแม้จะผ่านเวลาอาหารเช้าไปแล้วก็ยังไม่มีเววาวใดๆจากจักรราชหรือราชนีเมยานีส่งข่าวมาถึงคณะของแช่ฐา คงมีแต่ทหารรักษาปราศาสตร์และชาวพนักงานหญิงชายที่คอยรับใช้ปรนิบัติอยู่เป็นปกติเหมือนเดิมเท่านั้นซึ่งคนเหล่านั้นไม่ได้ให้ประโยชน์ใดๆเลยต่อการที่จะซักถามถึงสิ่งอื่นใดนอกจากปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประการเดียวส่างปาซึ่งอนุชาอนุญาตให้ทําหน้าที่ไปส่งพรานใหญ่รพินกลับไปยังที่พักของฝ่ายเขาตั้งแต่ตอนใกล้รุ่งก็ปรากฏว่าหายรับไปเลยไม่ได้กลับมาอีก ซึ่งเชษฐาก็ให้ความเห็นกับทุกคนว่าอาจเป็นเพราะเจ้าส่งปาไปพบเข้ากับพรานคู่ใจของรพินอันเป็นเกลอเอ๋อสี่คนคือตังคำจันทร์เกิดและเสยจึงมัวแต่สนทนาปราศัยกันอยู่ตามประษาคนเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาก่อนและได้มาพบเห็นกันเข้าอีกอย่างไม่คาดฝันซึ่งถ้าหากส่งปาได้โผล่เข้าไปทักทายกับพรานของรพินสี่คนนั้นเมื่อไหร่ ก็น่าจะแปลว่าฝ่ายอเมริกันทั้งหมดควรจะได้ทราบเรื่องราวหมดแล้วว่าคณะติดตามพระพินได้มาถึงมรกกนครพร้อมอยู่ก่อนแล้วนับตั้งแต่เวลาที่รับพินได้ขอแยกตัวกลับออกไปจากที่พักฝ่ายของแช่ถาทั้งหมดแม้กระทั่งพวกลูกหาบไม่มีใครคิดที่จะหลับนอนกันอีกเลยเพราะช่วงเวลาไม่นานหลังจากนั้นท้องฟ้าก็สว่าง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 ก้าวลงมาจากหลังม้าพร้อมทั้งเดินตรงเข้ามาคนหนึ่งผมขาวเป็นสีดอกเลาอยู่ในเกราะสีเงินยวงเป็นเก็ดระยับต้องแสงตะวันยามสายเห็นเพียงชั่วแว บ, บเดียวเท่านั้นทุกคนที่เคยผ่านมรกตนครมาก่อนแล้วในครั้งนั้นก็จำได้ทันทีว่านั่นคือผู้เท่าอรอชุนอดีตผู้นำของกองกำลังฝ่ายประชาชนที่ต่อสู้กับทรราชซึ่งเคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาอย่างโชคชนแล้วในครั้งนั้น ส่วนอีกคนหนึ่งที่ก้าวเยื้องหลังไปเล็กน้อยคือพรหมเมธหนึ่งในจำนวนขุนศึกที่ร่วมประสานงานกู้ราชบัลลังค์คืนให้แก่ราชวงศ์เทพซึ่งทั้งสองเป็นผู้ที่นำทหารแยกไปรับฝ่ายของรพินที่ต้นทางของถนนพระศิวะระหว่างที่เชษฐาอนุชาและชัยยันกำลังจ้องขเขม็งเพื่อให้แน่ใจอยู่นั้นดารินผู้วิ่งตามออกมาภายหลังจากห้องที่หลบเข้าไปงีบอยู่ก็ร้องลั่นออกมาอย่างดีใจว่า ท่านอรชุนกับพรมเมศใช่ผู้ท้า อ, อราชุนจริงๆนั่นแหละแต่เอ๊ะทำไมเมญา น, นีถึงไม่ได้มาด้วยเช่ฐถาพึมพมออกมาแม่จะล่วงเข้าปัจฉิมวัยแล้วก็ตามแต่อดีตคุนศึกคู่บัลังของราชวงศ์เทพก็ยังมีสรีระอันเข้มแข็งองค์อาจปราดเปรียวเขาได้ก้าวสวบๆอย่างรวดเร็วใกล้เข้ามาตามลาดับเสียงฝักดาบแกว่งกระทบดังเป็นจังหวะ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 ในพระนามของจักราธิราชเจ้าและราชินีเมยานีตลอดจนชาวมรกรนครทุกชีวิตขอต้อนรับพวกท่านทั้งหลายที่อุตสาห์บากบัน่นวกกลับมาเยี่ยมพวกเราทั้งหมดในมรกรนครแห่งนี้อีกครั้งขอให้พระมหาเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่พวกท่านทุกคนทุกฝ่ายของเชษฐายิ้มและทักทายตอบด้วยความยินดี อรชุนส่งมือทั้งสองไปที่เชิดาก่อนและเมื่อท่านหัวหน้าคณะยื่นมือไปจับกับฝ่ามือใหญ่แข็งแรงนั้นอรชุนได้รวบ ป, ประคองไว้ด้วยอุ้มมือทั้งสองข้างของตนพร้อมกับน้อมศรีรษะลงน้อยๆเชิงคารวะและได้เข้ามาสัมผัสมืออนุชาชัยยันตามลำดับสำหรับดารินนั้นคุณพลผู้เท่าบัดนี้กำอำนาจทหารเต็มไวในมือได้ก้มศรีรษะต่ำลงไปอีก และยิ้มให้ด้วยความเมตตาเอนดูเป็นพิเศษออกไปมีอะไรหลายๆอย่างในแววตาของอรชุนที่เหมือนออกจะเอ่ยพูดกับหลอนออกมาแต่ก็ไม่ปรากฏเป็นถ้อยคานอกจากรอยยิ้มละไมยอยู่เช่นนั้นดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นท่านอีกครั้งอรชุนและเมื่อเห็นท่านแล้วเราก็อดที่จะคิดไปถึงท่านกุตมะเสมิได้เชิดาเอ่ยขึ้นทางฝ่ายเราได้ทราบข่าวว่า ท่านได้นำทหารไปรอรับพรานใหญ่รพินณนําตแหน่งต้นทางของถนนพระศิวะในขณะที่ราชินีเมญานีอันเป็นบุตรสาวของท่านไปรอรับฝ่ายเรายังส่วนกลางของถนนเรามาถึงพระนครเมื่อเที่ยงของวันวานและพวกที่ท่านไปรับได้มาถึงตอนเที่ยงคืนเช่นนั้นไม่ใช่หรืออรชุนก้มศรีรษะลงอีกครั้งท่านคงได้ทราบความจริงโดยตลอดแล้ว เพราะเมื่อใกล้รุ่งนี้พรานใหญ่ระพินได้มาเยี่ยมคํานับพวกท่านที่ปราสาทพักแห่งนี้ข้าได้เร่งการเดินทางโดยตลอดเพื่อจะนําฝ่ายของพรานใหญ่ระพินเข้าให้ถึงราชฐานมรกรนครในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับพวกท่านให้มากที่สุดเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพบ ป, ปะกันโดยเร็วตามพระราชประสงค์ของจักราชทิราชพวกเราขอขอบใจท่านทุกคนอย่างที่สุดที่ให้การต้อนรับเสมอญาติสนิท โดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยและได้จัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้โดยที่เราทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนเลยอนุชากราวเอ่ยขึ้นบ้างพร้อมกับอาการหัวเราะเบาๆแล้วนี่ท่านอรชุนมีภารกิจอันใดกับพวกเรากระมังถือกระแสรับสั่งของจักรราชหรือเมยานีมายัางเราเช่นไรหรือ ข้าอราชุนมีความประสงค์ทางด้านส่วนตัวประการแรกที่จะได้มาคำนับเยี่ยมพวกท่านทุกคนเสียก่อนในเช้าวันนี้เป็นการส่วนตัวเพราะเหตุที่ว่าทันทีที่ท่านเหยียบเข้าแผ่นดินมรกนครนั้นข้ามีภาระหน้าที่จะต้องแยกไปต้อนรับทางฝ่ายของพรานใหญ่รพิน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 เดี๋ยวก่อนผู้เท่าอรชุนแช่ถามพูดขึ้นเบาๆเราว่าจะไม่ถามท่านแล้วก็อดที่จะต้องถามเสียไม่ได้ท่านหมายถึงว่าฝ่ายของเรากับของพรานใหญ่จะไปพบกันที่ท้องพระโรงว่าราชการแผ่นดินเฉพาะพระพักของจักราธิราชเช่นนั้นหรือพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นด้วยหรืออย่างไรอรชุนยิ้มน้อยๆพลังสันสีสับแช่มชัก มหากษัตริย์จั ก, กราธิราชเจ้าขณะนี้ไม่ได้ประทับอยู่ในราชฐานมรกรนครมาเป็นเวลานานแล้วแต่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งราชนีเมยานีให้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนทั้งสองฝ่ายของเหล่าท่านจะได้พบกันในท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งก็จริงแต่เบื้องพระพักของพระราชนีเมยานีอันเป็นผู้แทนพระองค์เป็นการชั่วคราวก่อน หลังจากนั้นแล้วทั้งสองฝ่ายจึงจะได้รับพระบรมราชานุญาตให้เดินทางร่วมกันไปเฝ้าองค์จักราราธิราชได้อย่างสถานที่ซึ่งพระองค์ประทับอยู่อย่างเป็นความลับอันยังไม่อาจเปิดเผยได้ในขณะนี้ต่อเมื่อท่านได้ถูกนําไปแล้วท่านจะได้รู้ได้เห็นเองทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเรื่องของความเหมาะสมดีงามทั้งสิ้นจะไม่มีรับลมเลสในหรืออันตรายใดๆต่อฝ่ายใดทั้งสิ้นและทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นพระราชประสงค์ของจั ก, กราธิราเจ้าทั้งสิ้นหาได้เกิดขึ้นจากตัวข้าเองหรือราชนีเมยานีไม่ขออย่าได้มีอะไรคลางแคลงใจไปเลยทั้งหมดมองตากันเองไปมาแล้วเชษฐาก็ตัดสินใจในทันทีนั้นตกลง ท่านผู้เฒ่า อ, อราชุนพวกเราก็เฝ้ารออยู่ตั้งแต่เช้าวันนี้แล้วว่ามรกรนครจะมีไม้กําหนดการจัดสรรให้แก่เราอย่างไรทางด้านเราเองก็อยากจะได้พบปะกับอคันตุกะผู้มาเยือนใหม่คณะนี้ก่อนเรื่องอื่นใดเหมือนกันขณะนี้พวกเขาทั้งหมดไปรออยู่ที่ท้องพระโรงใหญ่แล้วหรือถูกต้องนายใหญ่ อรุชุนเอ่ยเรียกสรรพนามของเชษฐาเช่นเดียวกับแงซ า, ายและชาวมรกตนครทุกคนเหมือนเช่นที่เรียกในครั้งกระโน้นสุกรีได้เป็นฝ่ายนำทหารไปเชิญพวกอคันตุกะชุดใหม่ล่วงหน้าไปรอฝ่ายท่านอยู่ก่อนแล้วส่วนเราก็ได้อาสาแทนบุคคลอื่นที่จะมาเชิญพวกท่านด้วยตนเองเพราะอยากจะมีโอกาสได้พบเห็นสนทนากนด้วยตามที่ได้บอกไว้แล้วถ้างั้นก็แปลว่า ทางฝ่ายอาคันตุกะใหม่ของท่านก็คงรู้ตัวกันล่วงหน้าแล้วสิว่าในการมุ่งมาถึงมรกรกนครครั้งนี้มีพวกเราอีกคณะหนึ่งได้มาถึงในเวลาเกือบจะใกล้เคียงกับพวกเขาและกำลังจะได้พบกันดารินถามขึ้นเป็นประโยคแรกพวกเขาทั้งหมดได้รู้ตัวกันแล้วว่าจะได้พบพวกท่านโดยไม่คาดคิดมาก่อนเป็นการรู้ตัวเมื่อเช้านี้เองและพวกเขาก็มีความตื่นเต้นยินดีที่จะได้พบ เราได้จัดให้ฝ่ายเขาไปรอคอยอยู่ก่อนแล้วแล้วอรชุนก็หัวเราะเบาๆออกมาอีกครั้งดวงตาที่ยังใสคมกริบมองจับมาที่ดารินด้วยประกายเมตตาปรานีผู้ที่ยินดีที่สุดถึงกับกระโดดโลดเต้นโห o w ร้องก็คือบริวารสี่คนของพรานรพินพวกนี้พยายามซักถามคนของเราว่าพวกนายหญิงพักอยู่ที่ไหนอยากจะพุ่งตรงมาหาก่อน แต่ทหารของเราได้ปกปิดพวกนั้นไว้และจัดให้เดินทางตรงไปยังท้องพระโรงใหญ่เสียก่อนดารินพรอยยิ้มออกมาด้วยอย่างดีใจเชทหากล่าวกับตัวอรชุนขณะนั้นเพื่อเตรียมตัวอะไรบางอย่างแล้วบอกทุกคนให้กลับเข้าไปในห้องที่พักกระซิบบอกให้เข้าใจว่าสัมภาระทั้งหลายให้ตั้งกองไว้อย่างเดิมแต่ละคนจะเอาติดตัวไปเฉพาะอาวุธปืนประจำมือและเป้หลังประจำตัวเท่านั้น เพียงครู่เดียวก็กลับออกมายัางออรชุนแจ้งให้ทราบว่าพร้อมที่จะออกเดินทางได้แล้วมาเตรีมยมไว้พร้อมศัพท์แล้วสำหรับคณะเจ้านายสี่คนส่วนนอกนั้นสมัครใจที่จะเดินไปด้วยเท้าแม้แต่ขยินและหนานอินทั้งหมดจึงเคลื่อนขบวนออกจากปราสาทที่พักหลังอุทยาน เพื่อตรงไปยังบริเวณมาหาปราศาสตร์อันเป็นที่ว่าราชการแผ่นดินซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของบริเวณสนามชัยเป็นบริเวณพระราชฐานชั้นนอกถ้าจะวัดเป็นระยะทางเดินก็ไม่น่าจะห่างเกิน2กิโลเมตรหรือ1ไมล์เศษเศษ จ, จากบริเวณอันเป็นที่พักในขณะนี้ขบวนจึงมีทั้งนั่งไปบนหลังม้าและเดินเท้าไปเป็นหมู่ซึ่งเคลื่อนที่ไปในสภาพการเดินปกติไม่ถึงกับเร่งร้อนนัก ดาริ น, นั้นภายหลังจากขึ้นหลังม้าและเริ่มต้นเดินเป็นขบวนกันไปหล่อนก็พยายามบังคับม้าที่ขี่อยู่ให้เบียดแทรกม้าของพรหมเมธห่างออกไปทางซ้ายและม้าของตนเองก็เบียดเข้ามาเดินชิดอยู่กับคุนพลอรชุนซึ่งเหาะเดินนำขบวนอยู่เพื่อหาโอกาสพูดจาซักถามสนทนาด้วยเพราะในการพบปะก่อนหน้านี้หล่อนยังไม่สามารถจะสอบถามความอะไรได้มากนกะ ออรชุนนั้นเมื่อชายหางตาเห็นมากของดารินเบียดแทรกเข้ามาชิดและเหาะเดินไปคู่กันก็หันมายิ้มให้และกล่าวขึ้นก่อนอย่างผู้ใหญ่ที่ใจดีซึ่งเคยมีความผูกพันใกล้ชิดมาก่อนในอดีตดูคล้ายนายหญิงจะมีอะไรร้อนรนกรวนกรวายใจอยู่ภายในหลอนสันสีสันน้อยๆยิ้มตอบฉันไม่ได้มีอะไรร้อนรนหรือกรนกรวายใจอะไรอย่างที่ท่านลุงอรชุนว่าหรอก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 ท่านลุงเป็นฝ่ายไปดักรอรับการไต่ขึ้นมายังหัวถนนพระศิวะของพรานใหญ่ระพินดารินเริ่มแสวงหาข่าวทันทีในรูปแบบชวนคุยพวกเขาขึ้นมาถึงหัวถนนพระศิวะเมื่อเวลาใดอรชุนยิ้มกว้างอีกครั้งตะวันตรงศีรษะเมื่อคณะของพรานใหญ่ไต่าทางขึ้นมาถึงซึ่งก็น่าจะเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่ฝ่ายของนายหญิงเยยบขึ้นถึงกลางถนนพระศิวะนั่นแหละ เมื่อราตรีที่แล้วมานายหญิงคงมีโอกาสได้พบปะกับพรานรพินแล้วไม่ได้สอบถามความกับเขาหรอกหรือฉันถามเขาแล้วเราคุยกันด้วยเรื่องสารพัดเท่าที่เวลาอันมีอยู่จำกัดจะอำนวยไปให้ได้จนแทบจะลืมไปหมดแล้วว่าฉันได้สอบถามอะไรเข้าไปบ้างแต่เมื่อพบท่านลุงเดี๋ยวนี้จึงอยากจะขอทราบในสิ่งที่ท่านลุงได้พบเห็นเหตุการณ์มาแล้วบ้างนายหญิงอยากจะทราบเรื่องอะไรก็เชิญสอบถามข้ามาได้ โปรดเล่าให้ฉันฟังซิคร่าวๆก็ได้ท่านลุงพบพวกเขาอย่างไรในลักษณะไหนและมีเหตุการณ์อะไรบ้างในทันทีที่พวกเขาเห็นท่านลุงกับทหารที่ไปดักรอรับอยู่คุณสึกผู้เท่าหัวเราะเบาๆอยู่ในลำคอพวกเขาได้แต่ปีนไต่ทางกันขึ้นมาอย่างอ่อนเปรียแทบจะสิ้นเรี่ยวแรงข้าและทหารทุกคนที่ไปรอรับอยู่นั้นอยู่ในที่ซุ่ม เมื่อพวกเขาโดยการนําของพรานใหญ่ได้ก้าวขึ้นมาถึงหัวถนนต่างก็ลงนั่งพักในป่าศนลักษณะของพวกเขาตื่นเต้นยินดีที่ค้นพบถนนและมีอาการเหมือนจะพักนอนกันที่นั่นก่อนถ้าหากฝ่ายเราไม่ปรากฏตัวออกไปอรชุนกล่าวด้วยน้าเสียงเรียบเรียบเราปล่อยให้เขานั่งพักกันอยู่ครู่ใหญ่หลายคนลงนอนด้วยความอ่อนเพลียโดยเฉพาะคนผิวขาวชายหญิงสองคู่และพวกแบ่งหามทั้งหลาย ระหว่างที่พรานใหญ่เอาแผนที่ออกมาดูเราก็เคลื่อนม้าออกจากที่ซ่อนตีวงล้อมเขาเข้าไปทุกด้านทุกคนเว้นจากพรานใหญ่และคนคู่ใจสี่คนตกใจมากพุดลุกขึ้นเตรียมจะต่อสู้แต่พรานใหญ่ได้สกัดกั้นห้ามปรามคณะเจ้าหนายของเขาไว้เมื่อเราตีวงล้อมเข้าไปใกล้จนประชิด ต, ตัวรอบด้านพรานใหญ่และข้า ได้กล่าวทักทายกันด้วยความยินดีรวมทั้งพรานคู่ใจของเขาทั้งสี่คนนั่นด้วยเมื่อนั้นฝ่ายของคนผิวขาวและพวกแบกหามทั้งหมดจึงแน่ใจว่าพวกเราคือมิตรพวกเขาตกตะลึงและตื่นเต้นดีใจมากพรานใหญ่ได้แนะนําให้พวกเขาได้รู้จักกับข้าพรหมเมธและบรรดาทหารทั้งหลายที่พรานใหญ่เคยรู้จักเราได้ต้อนรับพวกเขาณตำแหน่งที่พบกันนั้นช่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้อาหาร พวกเขาเล่าให้เราฟังว่าได้พยายามปีนไต่เขาหาทางขึ้นมาเป็นเวลาสี่วันแล้วจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดทุกคนรวมทั้งพรานใหญ่ไม่ได้คิดหวังล่วงหน้าว่าการเหยียบขึ้นถึงหัวถนนพระศิวะของพวกเขาจะมีฝ่ายเรารู้ตัวล่วงหน้าและได้ไปคอยดักรออยู่ก่อนแล้วจึงเมื่อพบเราอาจเป็นเจ้าของแผ่นดินรอให้การต้อนรับอยู่ก่อนเช่นนั้นเขาก็พากันปิตยินดีมาก รานใหญ่ได้สอบถามข้าถึงจั ก, กราทิราชแต่ข้าและทหารฝ่ายเราทุกคนไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกสิ่งใดได้นอกจากอ้างองค์การรับสั่งให้พวกเขาเร่งออกเดินทางในทันทีโดยจัดเตรียมม้าไว้ให้พร้อมและนําพวกเขาออกเดินทางมาภายหลังนั่งพักอยู่อย่างตําแหน่งนั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งเราเร่งเดินทางกันมาโดยตลอดและโดยเฉพาะเมื่อราตรีที่ผ่านมาเราไม่ได้หยุดพักแรมเลยออกเดินทาง แม้แตะวันจะตกดินไปแล้วก็ตามและได้เข้าถึงพระนครในยามเที่ยงคืนจึงย่นระยะให้เร็วขึ้นอีกถ้าพักแรมเมื่อคืนนี้เราก็จะต้องมาถึงภายในเที่ยงของวันนี้ซึ่งจะผิดพระราชประสงค์ขององค์จักรราธิราชที่จะให้ฝ่ายของนายพรานใหญ่ได้เข้าถึงราชฐานมรกรนครเสียภายในราตรีที่ผ่านมาแม้จะดึกหน่อยก็ตามดารินพยากหน้าชา้ชา คำพูดของอรชุนก็ดูจะใกล้เคียงตรง ก, กันกับคำบอกเล่าของรพินที่หลอนได้รับทราบมาก่อนแล้วจักราธิราชมีพระประสงค์อันใดหรือจึงให้พวกท่านเร่งการเดินทางของพวกเขาเพื่อให้เข้าถึงมรกนครเสียพายในเมื่อคืนนี้นายหญิงน่าจะทราบดีอยู่แล้วในข้อนี้อรชุนย้อนอย่างมีนัยและจ้องที่ดวงตาของหลอนหญิงสาวแ้งวางหน้าเฉยกล่าวถามต่อไป ท่าทีของพวกเขาทั้งหมดรวมทั้งนายรพินด้วยพอจะรู้มาก่อนบ้างไม่ว่าฝ่ายของฉันก็ได้มาถึงแผ่นดินนี้แล้วเหมือนกันไม่มีใครเฉลียวคิดรู้ตัวมาก่อนเลยนายหญิงและแม่ข้าจะรู้ข้าก็ไม่อาจบอกได้จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะได้มาพบเห็นกันเองในราชฐานที่นี่ในความรู้สึกของท่านลุงเจ้านายใหม่ของพรานรพินโดยเฉพาะพวกผิวขาวเป็นอย่างไรบ้าง พวกเขาพยายามจะเป็นมิตรที่ดีกับเราและมีความระมัดระวังตัวมากที่จะไม่ทําสิ่งใดให้ผิดแบบแผนประเพณีของเราข้าเข้าใจว่าพรานใหญ่รพิน์คงมีการแนะนําสิ่งอันควรแก่พวกเขาไว้ก่อนบ้างแล้วก่อนจะเหยียบขึ้นถึงหัวถนนพระศิวะอันเป็นดินแดนของเรานี้และพวกเขาทั้งหมดดูจะเชื่อมั่นไว้วางใจพรานใหญ่รพิน์ดีมากมีความสามัคคีกันดี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 เดินผ่านลานหินกว้างขึ้นสู่บันไดอันนำขึ้นไปยังราชมนเทียกลางมหึือมาวิจิตบันจงไปด้วยศิลปะของสถาปัตยกรรมอันสูงส่งท้องพระโรงหินอ่อนปูล้านไว้ด้วยพรมสีมรกตที่ทุกคนผ่านทวันเข้ามาเป็นด่านสุดท้ายแแ ล, ลรับลิฟ์เข้าไปเห็นบรรลังอันตั้งอยู่สูงตรงานภายใต้มายุรชัตแวดล้อมไปด้วยเครื่องสูงของมหากริย์ ผนังสิลาเบื้องสูงด้านหลังของที่ประทับคือรูปแกะสลักของสุริยเทพอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ประจำราชวงศ์ทั้งสองด้านของท้องพระโรงจะทะลุเชื่อมต่อไปยังบริเวณส่วนใดบ้างไม่อาจมองเห็นได้ด้วยว่ามีวิสูจน์ขนาดใหญ่สีแดงคลิปทองกั้นไว้บนอาสนะหรือบันลังทองนั้นยังว่างเปล่า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 คนเหล่านั้นซึ่งบางคนก็คุ้นหน้ากับฝ่ายของเชษฐามาก่อนบ้างแล้วต่างก้มทิษาให้ในลักษณะทักทายคาระวะแต่ก็ไม่เอ่ยปากคำใดออกมานอกจากจะอยู่ในอาการสงบสำรวมที่สุดอรชุนก็นำคณะทั้ง16คนของฝ่ายเชษฐาเข้ามาหยุดยืนเป็นกลุ่มอยู่ทางด้านซ้ายของบัรลังอันว่างเปล่านั้น คงมีแต่ชาวพนักงานอันเป็นสตรียืนประจำอยู่ที่ด้านหลังของอาสนะข้างละสองนางความโอราณยิ่งใหญ่ของสถานที่ทำให้ขยินนันอินและพวกลูกหาบทั้งหลายพากันประมาขาสั่นกันไปหมดยืนตัวแข็งได้แต่สายสายตาลอกแลกมองไปรอบๆด้วยอาการอันตื่นตะลึงในความงดงามตระการตาของท้องพระโรงส่วนเชษฐาอนุชาชัยยันและดาริน ซึ่งยืนเรียงหน้ากระดานอยู่ในแถวหน้าพาการช่องมองไปยังบัลลังอันว่างเปล่าแล้วเหลือไปทางอรชุนเหมือนจะถามแต่เห็นอรชุนยืนสงบนิ่งอยู่โดยไม่ได้หันไปสบตาด้วยจึงได้แต่มองตากันเองไปมาภายในสถานที่นั้นเงียบสงบณนะบัดนั้นเองก่อนที่ฝ่ายเชษฐาจะมีการเคลื่อนไหวหรือกระซิบคำพูดคำใดแก่กันก็ปรากฏมีเสียงคล้องชัย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 ชาวพนักงานผู้นั้นก็เลี่ยงไปยืนอยู่ริมด้านหนึ่งของพื้นอันยกสูงบนแท่นปริศฐานบันหลังนั้นพร้อมทั้งก้มกายโค้งต่ำลงร่างเพลียวระหงสูงสง่าในชุดสเสื้อภูษสาอันกรอบด้วยแพรพเปลืยยาวราวกับหางหงก้าวออกมาจากช่องที่วิสูตรเผยออกนั้นอย่างแช่มช้ามีนางข้าหลวงตามแหนออกมาด้วยสี่คน เหนือเสียนอันตั้งเชิดเด่นอยู่บนอังสะลาดงามประดับไว้ด้วยมงกุฎเพชรแกมแก้วเก้าสองประกายวาวระยับนางผู้นั้นมีความงามสง่าเป็นยิ่งนักงามทั้งสรีระอาพรเครื่องประดับและท่าทีอากัศกิริยาที่เยื้องย่างยุระญาติเยี่ยงนางกษัตริย์อย่างแท้จริงคุณพลอรชุนเหล่าทหารทั้งหลายและข้าราชบริพาร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 และบารมีแห่งนางผู้ปรากฏกายขึ้นนั้นทรงอำนาจสะกดไปทั่วทุกขุมขนขณะจิตต่อมาภายหลังสั่งจากอาการตกตะลึงและโดยไม่ต้องนัดแนะบอกเตือนกันเลยเชษฐาอนุชาชัยยันก็โค้มศีสะลงถวายคำนับช้าๆพร้อมกันส่วนดารินย่อกายลงแบบถอนสายบัวนานอินขยินและพวกลูกหาบทั้งหลาย พาการสุดตัวลงนั่งราบกับพื้นเอาเฉยๆโอดของนางแย้มกว้างออกไปอีกจนเห็นไรทนเนธทั้งคู่จับนิ่งมายังคณะของอาคันตุกะแล้วโบกมือขึ้นช้าๆพร้อมกับกระแสเสียงที่ใสกังวานโปรดยืนขึ้นตามสบายทุกท่านบรรดาขุนทหารและราชมนตรีทั้งหลายที่ก้มตัวนิ่งอยู่ได้ยืดกายขึ้นตามเดิมฝ่ายของเชษฐาก็เงยขึ้นอีกครั้งเช่นกัน ส่วนพวกพ ร, รานพื้นเมืองทั้งหลายของคณะผู้มายืนแผ่นดินมรกรณครยังคงนั่งแปะติดพื้นกันอยู่นางสวนน้อยๆพรางชี้ดัชนีมากำชับด้วยน้ำเสียงดุน้อยๆว่าข้าสั่งให้ยืนขึ้นได้ยินหรือไม่เมื่อนั้นนานอินและขยินจึงหันไปสะกิดบอกพรรคพวกแล้วพากันกระย่องกระแย่งพยุงกายขึ้นด้วยอาการหายใจไม่ทั่วท้อง เหลียวหน้ามองดูกันเองแล้วยิ้มแย้แย่สาวน้อยเมยานีผู้อยู่บนหลังม้าศึกที่ทุกคนเคยเห็นมาก่อนกับมหาราชินีเมญานีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินอันประทับยืนอยู่เหนือแท่นหน้าราชบัลลังขณะนี้แตกต่างกันมากมายนักสถานที่นี้รวมทั้งบุคคลที่อยู่ณที่นี้หาใช่สิ่งแปลกใหม่สำหรับพวกท่านเลยไม่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 รวมทั้งความกล้าหาญเสศละเชิฐาอนุชาชา ย, ยันและดารินอย่างเงียบกริบสมเด็จพระเจ้าจาั ก, กราธิราชไม่ได้ประทับอยู่ณที่นี้ด้วยข้าในฐานะผู้สาเร็จราชการแผ่นดินตามพระบรมราชโองการแต่งตั้งและในฐานะราชินีแห่งอาณาจากักรนี้จึงขอปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ไปพลางพางก่อนนางได้มีกระแสนเนิบเนิบราบเรียบต่อไป แล้วเบืนพักไปทางขุนพลเท่าท่านพ่ออรชุนพระเจ้าค่ะอรชุนขานรับเสียงต่ำหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างตามพระบรมราชโองการได้ดำเนินไปเป็นที่เรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยหมดสิ้นทุกประการแล้วพระเจ้าค่ะนางพยักษ์พักหลงน้อยๆ อ, อย่างพอพระทยัยโอดงามพลายไปด้วยรอยยิ้มสมจินฉนั้นดีแล้ว ไม่ต้องเสเวลาล่าช้ากันอีกต่อไปจงนำตัวพรานใหญ่ระพินไพรวันและคณะของเขาให้เข้ามาปรากฏตัวได้ณบัดนี้ส่วนข้าจะขอปลีกตัวออกไปก่อนเพื่อว่าทั้งสองฝ่ายจะได้พบปะเซวนาปราัยซึ่งกันและกันตามอัธยาศัยโดยไม่ต้องกังวลว่ามีข้าอยู่ณที่นี้ด้วยอีกสักครู่ข้าจึงจะออกมาร่วมปรึกษาหารือด้วยในเรื่องของธุรกิจสาคัญ ระหว่างนี้ขอให้ท่านพ่ออรชุนรับภาระประสานงานให้แก่ทั้งสองฝ่ายด้วยสิ้นกระแสสวนีของนางพญาแห่งมรกรนครเพียงแค่นั้นนางก็ผินวรากายกลับเสด็จดำเนินเข้าไปยังช่องวิสูตรที่ก้าวออกมานั้นอย่างสงบโดยมีนางกำนันทั้งสี่ตามกลับเข้าไปเช่นเดิมเป็นการปรากฏองค์ออกมาปราศัยให้การรับรองต้อนรับ คณะอาคารตุกะแขกเมืองเป็นทางการและมีองค์การรับสั่งกับเหล่ามุกมนตรีในราชภารากิจเพียงระยะเวลาอันสั้นๆเท่านั้นโดยไม่ได้แม้แต่จะหย่อนองค์ลงประทับบนแท่นบันลังเลยทันทีที่นางได้รับวรกายออกไปจากพระที่ผู้เท่าอราชุนได้ยกมือขึ้นนิดหนึ่งเหมือนจะส่งสัญญาณไปทางทหารที่รักษาการอยู่อย่างริมทองพระโรงรอบนอกแล้วเสียงคล้องสัญญาณก็ดังกระหึ่มขึ้นอีกครั้ง ขณะเดียวกันพรหมเมธก็ก้าวเข้ามายัางคณะของคุณชายเชษฐาที่ยังยืนรวมกลุ่มกันอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบนักด้วยสีหน้าอันยิ้มแยม้มด้วยอัธยาศัยไมตรีจิตและกอบไปด้วยความคาระวะพร้อมกับเอ่ยขึ้นกับท่านหัวหน้าคณะว่าท่านผู้เจริญและเป็นที่คาระวะแกะอาณาจากักรมรกรนครทุกท่านบัดนี้พ ร, รานรพินและคณะของเขาทั้งหมด กำลังเคลื่อนเข้ามายัางท้องพระโรงชัยแห่งนี้แล้วเพื่อได้พบปะกับเหล่าท่านทั้งหลายตามพระราชสวันีของมหาราชินีขอเหล่าท่านได้เตรียมกายเตรียมใจที่จะได้พบเห็นกับฝ่ายของเขาได้ณนะบัดนี้เถิดพวกเขากําลังจะเข้ามาทางทวารด้านฝั่งขวามือของพวกท่าน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 ที่เฝ้าประชุมแวดล้อมกันอยู่ในท้องพระโรงแห่งนี้จะปรีกายออกไปโดยหมดสิ้นถ้าจะมีเหลืออยู่ก็เพียงฝ่ายทหารที่เหล่าท่านรู้จักคุ้นเคยมาก่อนแล้วเท่านั้นขอท่านทั้งหลายจงทำตัวให้สบายเสมอว่าท้องพระโรงแห่งนี้คือสถานที่อันเป็นส่วนตัวของท่านทุกอย่างเชษฐานยิ้มตอบให้แก่พรหมเมธทุกคนของฝ่ายเขาขณะนี้กาลังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นระทึกใจ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 พรานรพิน์และคณะของเขาได้มาถึงที่นี่ก่อนหน้าฝ่ายของท่านแล้วและได้ถูกกำหนดให้รอคอยอยู่ก่อนยังสาลานิมมานรดีถัดจากท้องพระโรงนี้ออกไปเพียงไม่ไกลนักมหาราชินีมีพระราชประสงค์โดยตรงที่จะให้ฝ่ายท่านได้มาถึงพร้อมกันยังท้องพระโรงแห่งนี้เสียก่อนจึงจะให้ฝ่ายเขาเข้ า, ขามาปรากฏตนภายหลังและบัดนี้พวกเขาก็กำลังมาแล้ว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 คือนายชนและพวกลูกหาบอีก9ก้าคนรวมแล้วเป็นส6คนครบชุดพวกราชมนตรีเสนาพฤธามาทั้งหลายประมาณห0สคนที่ยืนเรียงรายอยู่ในท้องพระโรงอันกว้างใหญ่เหล่านั้นก็พากันถอยหลังหลบออกไปคนละด้านอย่างเงียบสงบเพื่อให้สถานที่แห่งนั้นเป็นที่โปรง่งโล่งเหมือนจะเป็นเขตส่วนตัวโดยเฉพาะคงเหลือแต่เฉพาะนายทหารใหญ่ ระดับคุมกำลังอันล้วนคุ้นหน้ากันอยู่ก่อนแล้วเท่านั้นขณะจิตต่อมาก็มีเสียงฝีเท้าของทหารย่ำพื้นเป็นจังหวะเดินพรึบพรบใกล้เข้ามาทางด้านประตูใหญ่ขวามือของท้องพระโรงที่คณะเชิฐากกำลังยืนตั้งแถวหันหน้าไปทางด้านนั้นแล้วม่านขนาดใหญ่ที่กั้นไว้ก็คลี่แยกออกจากกันเป็นช่องทางกว้าง สุกรีและทหารหมู่หนึ่งนำหน้าเข้ามาก่อนติดตามมาด้วยระพินไพรวันและคณะนายจ้างของเขาทั้งหมดซึ่งขณะนี้ยังมองเห็นไม่ถนัดว่ามีใครบ้างรวมทั้งขบวนลูกหาบเคลื่อนเข้ามาในท้องพระโรงสายตาทุกคู่ของฝ่ายแช่ฐาพุ่งจับไปยังกลุ่มนั้นเป็นตาเดียวกระหายที่จะได้พบเห็นให้สะสมกับที่ได้มุ่งหมายมาเป็นเวลานานโดยแทบจะสิ้นความหวังไปแล้ว สุกรีและกลุ่มทหารที่นำหน้าขบวนเข้ามาเหล่านั้นเมื่อก้าวเข้ามาถึงเป็นชุดแรกก็หยุดพรืบพร้อมกันสแสดงอาการเคารพอย่างพร้อมเพรียงต่อคณะของเชษฐาแล้วแยกแถวเปิดทางออกเดินเข้าไปรวมกลุ่มอยู่ในพวกขุนทหารที่ยืนกันอยู่เป็นระเบียบ ก, ก่อนแล้วในท้องพระโรงรัพินไพรวันซึ่งทุกคนของฝ่ายเชษฐาได้มีโอกาสพบปะมาก่อนแล้วเมื่อตอนใกล้รุ่งที่ผ่านมา เดินด้วยอาการปกติซ่อนแววปรีดาปราโมทไว้ภายใต้สีหน้าอันวางเรียบเฉยเขานำเข้ามาโดยตามติดมาเป็นขบวนด้วยคณะของนายจ้างกลุ่มพรานพื้นเมืองและพวกลูกหาบซึ่งครั้งแรกก็ไม่ได้เข้าแถวกันเข้ามาเป็นระเบียบอะไรนักแต่เมื่อต่างได้ล่วงเข้ามาถึงภายในทองพระโรงแล้วทั้งหมดก็กระจายแถวกันออกโดยมีจอมพรานยืนอยู่ตรงกลางตาแหน่งตรงกันกันกบเชษฐาที่ยืนรออยู่ก่อนแล้ว ทางด้านขวาของเขาเป็นกลุ่มนายจ้างทั้งหมดเริ่มด้วยสแตลลี่คีดเชิร์ดวุฒ์เบลและคริสส่วนด้านซ้ายเป็นกลุ่มของพราณพื้นเมืองคู่ใจของเขาทั้งสี่เริ่มด้วยบุญคำจันเกิดและเสยสสำหรับแถวหลังก็เป็นลูกหาบอีกสิคนเช่นกันคือนายตาบหัวหน้าลูกหาบอูทะพักโตและพวกหนองน้าแห้งอีกเจดคนรวมเป็นยี่สิบคนครบชุดไม่มีใครขาดหายเลย แหวบแรกที่ฝ่ายของเชษฐาเห็นเมื่ออีกฝ่ายขยายแถวยืนประจันหน้าโดยมีระยะห่างกันเพียงห6ถึงเมตรซึ่งต่างฝ่ายต่างหันหน้าเข้าหากันนั้นแถวหน้าของฝ่ายรพินสิบคนส่วนแถวหน้าของเชษฐาหกคนสําหรับแถวหลังนั้นมีจานวนสิบคนเท่าๆกันแลวฝ่ายของรพินที่เพิ่งจะปรากฏกายเข้ามา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 ยามนี้ต่างฝ่ายต่างจ้องประสานสายตาและสำรวจซึ่งกันและกันด้วยความรู้สึกอันสุดที่จะตื่นเต้นยินดีและยังไม่สามารถจะมีปฏิกิริยาอาการเคลื่อนไหวหรือเอ่ยเอื่อนคำใดออกมาได้ก่อนต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบกริบกันไปชั่วขณะจิตหนึ่งได้แต่ใช้สายตาสารวจตอบโต้กันไปมาในลักษณะตะลึงงงเท่านั้น ใครจะมองไปที่ใครนั้นดารินว่าราลิศไม่อาจทราบได้แต่สําหรับตัวหล่อนเองไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมองไปที่ระพินอีกเลยในขณะนี้เพราะเนื่องจากเพิ่งได้พบกันด้วยเวลาที่เปรมปลืม้มชื่นชำ่ำนานพอสมควรเมื่อใกล้รุ่งที่ผ่านมาสายตาของหล่อนชำรลืองแวบแรกไปที่ลูกน้องคู่ใจของระพินทั้งสี่คนคือบุญคําจันท์เกิดเสยเมื่อเห็นว่าทั้งสี่คนอยู่ครบหน้าพร้อม ยืนเบิกตาจ้องอ้าปากค้างมายังทางฝ่ายของหล่อนยังดีใจขีดสุดหล่อนก็ละความสนใจเสียชั่วขณะก่อนกวาดตามาทางฝ่ายนายจ้างที่ยืนเรียงแถวหน้ากระดานทางด้านขวามือของรพินเป็นลำดับทันทีคนแรกบินสเตอลี่อเมริกันหัวหน้าชุดอันเป็นชายวัยกลางคนลักษณะของเขาเหมือนรูปถ่ายจากประวัติที่หล่อนได้ไว้ก่อนท่าทางใจดีและเป็นมิตรคนที่สอง ลาลีครีตรูปร่างใหญ่ขณะนี้ผมยาวผิดไปจากรูปถ่ายลักษณะไม่ผิดอะไรกับที่ระพินได้บรรยายให้ฟังไว้ก่อนแล้วตามที่หล่อนสอบถามคนที่สามนายทหารไทยพันตรีเชิดวุธหนุ่มหน้าตาดีท่าทางฉลาดและซื่อซื่อซึ่งขณะนี้กำลังเบิกตาจ้องไปยังคณะของหล่อนด้วยลักษณะเหมือนปลาสำลักน้าคนที่สอิซาเบล ส่วนสงรงและใบหน้าของหล่อนผู้นั้นเหมือนสาวอเมริกันที่จัดได้ว่าหน้าตาดีทั่วทไปคนหนึ่งแต่รูปร่างไม่บึบบับต่างกับที่เห็นในรูปถ่ายลักษณะของหล่อนผ่ายผอมและเกรงขึ้นมากเหลือไว้แต่ดวงตาสีน้ำตาลเท่านั้นที่ส่อแววเจ้าชู้อย่างเปิดเผยหล่อนผ่านไปยังคนที่หซึ่งขณะนี้ก็ยืนจ้องประสานสายตามาที่หล่อนคริสติน่าดารินพินิจหมดทุกส่วนสัตว์ จากเส้นผมจรวดปลายเท้าที่สวมท็อปเดินป่าแล้วก็ยอมรับกับตนเองอยู่ภายในใจที่พยายามกำหนดให้เป็นกลางและเป็นมิตรที่สุดว่าสตรีร่างสูงเพรียวในตาคมกริบผู้นั้นไม่ใช่อเมริกันแท้แม้จะผมสีทองก็ตามดูผัดผ่าดว่าผอมแต่ทุกส่วนสัตว์ของร่างกายเหมือนนักยิมนาสติกเพราะกแร่งกริงแข็งแรงปราดเรียวยิ่งจมูกปลายเชิด ร, ริมฝีปากเล็กบาง คิ้วดกยาวและดวงตาใหญ่เรียวครึ่งแขกครึ่งฝรั่งสะดุดตาโดดเด่นออกไปอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะมองผ่านหรือมองพิษอากาศกริยาการเคลื่อนไหวแม้จะเชื่องช้าก็เป็นการเชื่องช้าเนิบนาบแบบนางเสือดาวและบัดนี้หล่อนผู้นั้นมีอาการจ้องพินิจอย่างตื่นตะลึงมาที่ดารินวราริ์คริสสูงกว่าเบลถึงเกือบช่วงศีสับทั้งสองหญิงคู่นั้นสะพาย M16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 ณบัด น, นี้ทั้งสองฝ่ายของพวกท่านได้มาพบกันแล้วใจกลางราชฐานแห่งมรกรนครชนไหนจึงพากันอึง้งอ้านตะลึงตะายอยู่ราชาวมรกรนคร ห, หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองฝ่ายของพวกท่านคงจะมีความปราปรื่มยินดีและคงจะเป็นมิตรที่ดีซึ่งกันและกันตลอดไปทั้งวันนี้และวันแห่งอนาคตแน่นอนเราทั้งสองฝ่ายคือมิตรทั้งวันนี้และวันหน้าตลอดไป ดร์สตลีย์ประกาศขึ้นอย่างแจ่มใสชัดเจนพร้อมกับอาการหัวเราะน้อยๆแล้วกล่าวต่อมาว่าร็อินทำไมคุณยังไม่แนะนำให้พวกเราได้รู้จักกับเพื่อนเก่าหรือเจ้านายเก่าของคุณที่อุตสาหบากบันมาตามคุณจนถึงที่นี่ให้พวกเราได้รู้จักไว้หรือว่าจะให้พวกเราแนะนำตัวเองพวกเรารู้กันหมดแล้วว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาคุณได้มาพบปะกับท่านเหล่านี้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือ มื่นั้นรพินไพร์วันจึงขยับตัวเอานิ้วเคาะขมับอย่างมึนงงพร้อมกับเป่าลมออกมาจากริมฝีปากทุกท่านทั้งสองฝ่ายเขาพูดขึ้นรุมรวมขณะที่ก้มศรีรษะคำนับให้แก่ฝ่ายของเชทฐาและหันมาก้มศรีรษะคำนับให้แก่ฝ่ายของสแตนลีย์เมื่อตนได้ก้าออกมายืนขั้นอยู่ตรงกลางผมเองไม่ทราบจะเริ่มต้นอย่างไรเพราะทั้งสองฝ่ายก็ต่างดูเหมือนจะรู้จักประวัติของกันและกันมาก่อนเป็นทุนเดิมแล้ว และผมขอยอมรับว่าเมื่อคืนนี้ผมได้มาพบกับฝ่ายเพื่อนหรือเจ้านายเก่าของผมมาก่อนแล้วครั้นเมื่อกลับไปหาคณะของเจ้าในายใหม่ท่านก็ได้ซักถามทราบความจากผมหมดแล้วเช่นกันแต่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นการพบหน้ากันจริงๆแล้วใครเป็นใครผมเชื่อว่าแต่และฝ่ายคงจะทราบกันดีอยู่ก่อนจึงอยากจะให้ทุกท่านของทั้งสองฝ่ายได้ทักทายกันเองโดยไม่จําเป็นที่จะต้องให้ผมแนะนําเป็นรายตัวไป มันไม่ใช่เรื่องยากเย็นหรือประดักประเดิดอะไรเลยและเป็นความน่ายินดีอย่างที่สุดเมื่อเราทั้งสองฝ่ายได้พบกันทั้งๆ ท, ที่แทบจะไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่เลยในความรู้สึกของฝ่ายเราออกติดตามมาเอาละรพินคุณไม่ต้องกังวลใจอะไรทั้งสิ้นเราทั้งสองฝ่ายจะแนะนาตัวซึ่งกันและกันเอง เชิดากล่าวขึ้นด้วยเสียงกังวานแล้วก้าวออกมาจากแถวเป็นคนแรกขณะเดียวกันสแตลลี่ก็ก้าวออกมาเช่นกันต่างส่งมือมาจับไว้และบีบแน่นพร้อมกับต่างยิ้มให้แก่กันด้วยไมตรีจิตจริงใจท่านสุภาพบุรุษในราชาสกุลกล่าวชา้าช้าชัดเจนต่อมาว่าผมรู้จักคุณดีพอสมควรมาก่อนดออรสแตลลี่รวมทั้งพวกคุณทั้งหมดด้วยเพราะก่อนที่จะออกติดตามมานั้น เรามีประวัติภูมิหลังพวกคุณเอาไว้ในมือแล้วทุกคนเอาละผมจะเป็นฝ่ายแนะนำให้คุณและทุกคนฝ่ายคุณรู้จักเราไว้ผมชื่อเชษฐาวราริตนั่นคืออนุชาน้องชายของผมถัดไปนั่นคือชัยยันและสุภาพสตรีคนเดียวที่มากับคณะของเราคือน้องสาวของพวกเราทุกคนดารินสแตนลีย์หัวเราะร่าโอบกอดเชษฐาไว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 พวกเรา20คนก็อยู่กันครบเช่นกันแม้ว่าในระยะต้นของการเดินทางเราจะเสียลูกหาไปสองคนแต่ก็ได้กระเรียงสองคนมาแทนที่จากการเริ่มต้นของหัวหน้าคณะทั้งสองฝ่ายเช่นนั้นกลุ่มบุคคลชั้นหัวหน้าของทั้งสองกลุ่มจึงก้าวออกมาทักทายจับมือกันและสวมกอดกันทีละคู่สลับกันไปจนครบหมดทุกคน ความสับสนเริ่มเกิดขึ้นในกลุ่มบุคคลชุดนั้นทั้งหมดจากการสลับกันทักทายเป็นรายตัวในขณะที่ระพิน์ปลีกตัวออกมายืนอยู่นอกกลุ่มปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายเข้าพบกันเองตามอัธยาศัยด้วยความรู้สึกที่โปร่งโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกเชิดวุฒนั้นกระโดดเข้าไปไหว้เชิฐ้าอนุชาชัยยันและแม้กระทั่งดารินด้วยความปิติยินดีขีดสุด ซึ่งทุกคนก็ทักทายเขาอย่างเอ็นดูสนิทสนมและกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาไม่ควรที่จะต้องเสี่ยงชีวิตมาในครั้งนี้บุญคําเกิดเสยและจันกระโดดเฮโรโลเข้าไปหาขยินและหนานอินก่อนอื่นส่งเสียงเอะอะเอตโรกันไปทั่วท้องพระโรงของมรกรนครรวมทั้งพวกลูกหาบทั้งสองฝ่ายซึ่งแท้ ท, ที่จริงก็คือญาติมิตรในหนองน้ําแห้งด้วยกันทั้งนั้นหรือแม้อูทะพัตโต ข็หาใช่คนแปลกหน้าของกลุ่มพวกลูกหาบใดๆไม่ก็รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนแล้วทั้งสิ้นนายตาบกับนายช่วนซึ่งเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องถึงกับกอดกันน้ำตาไหลสำหรับพรนคู่ใจของรพินทั้งสี่คนนั้นได้แต่ยกมือไหว้เจ้านายเก่าในขณะนี้ก่อนแต่ยังไม่มีใครกล้าเข้ามาหาใกล้ๆ เพราะเห็นว่ากลุ่มเจ้านายยังทักทายพูดจากันอยู่ทั้งๆ ท, ที่บุญคำจันเกิดและเสยมีความรู้สึกอยากเข้ามาอุ้มแห่เชทิทาอนุชาชัยยันและโดยเฉพาะนายหญิงดารินไปรอบๆแต่ตอนนี้ทำได้แค่โบกมือโวกเวกมาก่อนเสียงร้องทักทายนายหญิงในายใหญ่นายกลางและนายทหารชัยยันแซ่ซ้าฟังไม่ได้สับไปหมดชัยยันและอนุชาระหว่างที่กอดทักกับคิด ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเราภาวนาอยู่ตลอดเวลาขอให้พวกคุณทุกคนปลอดภัยและสําเร็จผลงานภายใต้การนําของรพินซึ่งคีดก็กอดคนทั้งสองแน่นคนละครั้งพร้อมทั้งหัวเราะอย่างเปิดเผยเสียงดังลั่นไปหมดพวกเราสังหรณ์ตั้งแต่มาพักอยู่บนเนินพระจันทร์แล้วว่าพวกคุณจะต้องมาตามรพินแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาพบจริงๆยังดินแดนแปลกประราหาดมหัศจรรย์นี้ สำหรับดารินซึ่งยืนยิ้มยิ้มสงบท่าเทอยู่นั้นเมื่อสแตนลีย์และคิดเรียงหน้าเข้ามาขอจับมือด้วยหล่อนก็ส่งมือให้จับทั้งสองมองดูหล่อนอย่างพินิจและชื่นชมจากจริงใจและกล่าวสรุปท้ายการทักทายว่าเรารู้จักชื่อเสียงกิติศัพท์คุณมานานแล้วคุณหญิงดารินคุณไม่เป็นแต่เพียงสุภาพสตรีที่กล้าหาญมีฝีมือแต่ยังเป็นคนที่งามทั้งด้านน้าใจและสรีระพร้อม และเราภูมิใจแทนให้แก่ระพินไพรวันขอบคุณฉันดีใจที่ระพินนำพวกคุณทุกคนให้ปลอดภัยมาได้จนถึงที่นี่และฉันก็แน่ใจเช่นนั้นมานานแล้วนับตั้งแต่รู้ข่าวว่าเขารับนำทางให้แก่ฝ่ายคุณหลอนตอบด้วยน้ำเสียงต่ำลึกและกับเชิดวุดนั้นเมื่อนายทหารหนุ่มเข้ามาพนมมือว่าอย่างนอบน้อมหลอนก็จับไหล่ทั้งสองของเขาไว้เขย่าเบาๆบอกว่า หน้าตีนักพ่อน้องชายคุณไม่น่าจะเอาชีวิตมาเสี่ยงในครั้งนี้เลยตายถึง 99.99% 99ทีเดียวนะทางรอดมันแค่จ 0.1% เท่านั้นพวกพี่รู้จักคุณพ่อของคุณแม้จะไม่สนิทสนมนักก็ตามเชิดวุฒยกมือไหวอีกครั้งยิ้มแห้งๆผมมาตามหน้าที่ครับพี่หญิง ไม่คิดมาก่อนเลยว่าหนทางมันจะร้ายกาจธุระกันดานเสี่ยงภัยถึงขนาดนี้ถ้าไม่ได้พี่ระพินเป็นคนนำทางผมว่าคงตายกันหมดไปนานแล้วคราวนี้ก็เหลืออิซาเบลและคริสติน่าเท่านั้นที่จะถึงรอบเข้ามาทักทายกับหลอนเป็นสองคนคู่สุดท้าย ดารินยืนอมยิม้มจ้องตามไม่กระพริบอยู่อย่างสองหญิงมาก่อนแล้วขณะที่เดินผ่านแถวของการทักทายไล่ตามลำดับมาจนใกล้จะถึงหล่อนในขณะที่มือหนึ่งโบกให้แกพวกของบุญคาทิ่โจเรียกลอนอยู่โวกเวกเหมือนจะเป็นความหมายแทนคำตอบว่าขอเวลาเดียวให้เสรจธุระด้านนี้เสียก่อนแล้วค่อยคุยกัน หลอนสังเกตมาโดยตลอดระหว่างที่เบลและคริสทักทายกับพวกพี่ชายทั้งสามของหลอนเบลนั้นภายหลังจับมือแล้วก็จะกอดทุกครั้งไปกริยาร่าเริงแจ่มใสเต็มที่ทั้งขี้เล่นทั้งซุกซนและพูดจ้อไม่หยุดปากส่วนคริสจะเข้ามาทักทายพวกพี่ๆของหลอนอย่างสำรวมสุภาพมีอาการระมัดระวังตัวเต็มที่ และพวกพี่ๆของหล่อนไม่ว่าจะเป็นเชิท้าอนุชาหรือชายยันจะให้ความสนใจสังเกตคริสเป็นพิเศษตลอดเวลาทั้งเวลและคริสจะรอบมองมาที่หล่อนจนแทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้สนใจกับอื่นใดเนื้อไปกว่าเลยนอกจากจ้องพิเคราะห์อยู่เฉพาะที่หลอนเท่านั้นเป็นหลักใหญ่ซึ่งก็เท่าๆกับหล่อนเช่นกันสำหรับเวลยังไม่เท่าไรนะัก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 บัด น, นี้ทั้งสองหญิงของฝ่ายอเมริกันถึงวาระแล้วที่จะเข้ามาทักทายหลอนและดารินวาราริดก็ยืนเอียงคอยยิ้มรอคอยอยู่ก่อนแล้วหลอนกาลังนึกทายอยู่ว่าระหว่างสองคนแม่ผมแดงและแม่ผมทองใครจะเข้ามาหาหลอนก่อนกันทั้งๆ ท, ที่ตามคิวที่เดินเรียนกันเข้ามานั้นคริสควรจะถึงตัวหลอน แต่ในขณะนี้คริสกำลังจับมือเขย่าอยู่กับชั ย, ยันซึ่งมีการพูดจาติดต่ออยู่หลายประโยคทีเดียวแต่ชั ย, ยันก็ดูเหมือนจะไม่ยอมปล่อยมือคริสออกง่ายๆดารินบอกกับตนเองอยู่ในใจว่าคริสตินามีอะไรต่ออะไรบนใบหน้าและเรือนร่างหน้าพิษมากกว่ามารีฮอฟมันเสียอีกเป็นผู้หญิงที่สวยลึกอย่างน่าระแวงอย่างไรบอกไม่ถูกที่ดารินกาลังนึกไว้ในใจไม่ผิดคริสตินา ดูเหมือนจะถ่วงเวลาพูดจาทักทายกับชัยยันนานผิดไปจากการพูดกับบุคคลอื่นๆน่าจะเป็นเจตนาโดยตรงของแม่ผมทองที่จะให้เบลไปพบกับหล่อนก่อนและบัดนี้เบลได้มาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าของหล่อนห่างกันแค่สอกเดียวจ้องตาเป๋งมาอยากให้ความสนใจโดยเปิดเผยพร้อมกับอาการยิ้มกว้างทรงมือมาให้ช้าๆดารินเอื้อมไปสัมผัส ด, ด้วย เมื่อเบลบีบมือหลอนแน่นกระชับหล่อนก็บีบตอบด้วยพลังที่เหนือกว่าหมอดารินพวกเรามีความรู้สึกเหมือนจะได้รู้จักคุณมานานแล้วและคล้ายๆกับว่ามีคุณเดินทางร่วมกับคณะของเรามาโดยตลอดนั่นแหละดีใจและเป็นสุขเหลือเกินที่ได้มาพบเห็นตัวจริงเบลกล่าวขึ้นกลัวไปกับอาการหัวเราะร่าเริงเช่นเดียวกันหมอเบล สิ่งที่จะเล่าเว้นเสียไม่ได้ในทันทีที่มีโอกาสได้พบคุณก็คือขอขอบคุณอย่างมากในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ดูแลเอาใจใส่ต่อระพินทุกขณะที่เขาล้มป่วยลงฉันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงทีเดียวอเมริกันสาวทำตาโตหัวเ ร, ะราะดังขึ้นอีกทำเสียงสูงโอ้โอคุณอาจรู้ แต่คงไม่อยากพูดเองว่าพวกเราทุกคนต่างหากที่ได้รับการช่วยเหลือและช่วยให้รอดชีวิตมาได้จากฝีมือคนคนนั้นจนนับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะมาถึงที่นี่ได้ถึงแม้ชั่นเองจะเป็นแพทย์ประจำคณะซึ่งมีหน้าที่โดยตรงจะต้องดูแลทุกคนของพวกเราก็จริงแต่บางขณะชั่นเองยังต้องเป็นคนเจ็บป่วยและยังต้องฝากชีวิตไว้ ในความดูแลรักษาแบบปฐมพยาบาลของเขาซึ่งเขาก็มีความสามารถมากทีเดียวในเรื่องนี้โปรดอย่าได้พูดถึงเรื่องนี้เลยเรามาด้วยกันต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันแต่พวกเราเป็นฝ่ายพึ่งเขาซสียมากกว่าที่เขาจะต้องพึ่งเราไม่เพียงแต่จะเป็นพรานนาทางชั้นเลิอเท่านั้นเขายัางเป็นสุภาพบุรุษที่ยิ่งใหญ่จริงๆในทุกด้านดารินพยักหน้าลงนิดหนึ่งยิ้มมุมปาก ฉันมีความมั่นใจเช่นนั้นอย่างเต็มเปี่ยมคณะของคุณโชคดีมากฉันคาดหวังอะไรไว้เกี่ยวกับตัวคุณคลาดเคลื่อนไปหน่อยหมอดารินอะไรหรือคิดไว้แต่แรกเพียงแค่คุณน่าจะเป็นคนสวยน่ารักอ่อนหวานอย่างเดียวเท่านั้นแต่เมื่อได้พบเห็นตัวจริงอย่างนี้ ฉันไม่คิดว่าซ่อนไว้ในความสวยอ่อนหวานและน่ารักนั้นคุณยังเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งเด็ดเดียวและเฉียบขาดยิ่งกว่าผู้ชายอีกหลายลายคนพร้อมพูดเบลรีตาให้นิดหนึ่งดารินหัวเราะเบาๆตรงข้ามกับความจริงไปมากสำหรับความรู้สึกของตัวฉันเองฉันเป็นคนอ่อนแอและไม่มีอะไรที่เด็ดเดียวเลยถ้าสามารถเป็นได้อย่างที่คุณพูด ฉันก็คงไม่ต้องติดตามเขามาในครั้งนี้หรอกมันเป็นความอ่อนแอของจิตใจฉันที่ไม่รู้จักหักห้ามยับยั้งไว้สำหรับคุณคุณเป็นคนสดใสร่าเริงน่ารักมากหมอเบลเราคงเป็นเพื่อนกันได้นะที่รักอ๋อแน่นอนและเราคงมีโอกาสได้คุยกันมากกว่านี้ฉันก็ปรารถนาไว้เช่นนั้นรังเกียจไหมถ้าฉันจะจูบคุณเบลถามยิ้มยิ้มแทนคาตอบ ดารินดึงแม่ผมแดงเข้ามากอดไว้ในอ้อมแขนของหล่อนเบลจูบที่แก้มซ้ายและขวาของหล่อนอย่างเร็วแรงข้างละครั้งเอามือตบหลังดารินเบาๆแล้วผ่าออกซึ่งก็เป็นเวลาพอดีกันกับที่คริสติน่าได้มาหยุดยืนใกล้ๆแล้วรอยยิ้มอะไรชนิดหนึ่งผ่านแวบไปในดวงตาของเบลพลางถอยออกห่างก้าวหนึ่งแต่ก็ยังยืนเหมือนจะสังเกตท่าทีอยู่ใกล้ๆ like like สองสาวต่างผิวที่ต่างฝ่ายต่างให้ความสนใจซึ่งกันและกันเงียบๆมาแต่แรกเห็นชนิดที่เป็นพิเศษออกไปเหนือกว่าความสนใจอาจจะมีให้แก่ใครอื่นขณะนี้มองประสานสายตากันในระยะใกล้ประกายตาของแต่และฝ่ายต่างอยู่ในความหมายฉงนและค้นหาคริสหน้าซีดลงนิดหนึ่งแต่ก็ชั่ววิบตาเดียวเท่านั้นทุกอย่างก็อยู่ในสภาพปกติให้คริส ดารินเป็นฝ่ายทักขึ้นก่อนเบาๆและเป็นฝ่ายส่งมือไปให้คริสจับมือหลอนทั้งสองมือมือละข้างสัมผัสของแม่ผมทองนุ่มนิ่มอ่อนโยนต่างไปกว่าเบลมากซึ่งเป็นตรงข้ามกับลักษณะท่าทางปราดเปรียวและฝ่ามือค่อนข้างใจเย็นคุณหญิงดารินน้ำเสียงของคริสเบาก็จริงแต่ชัดเจนยิ่งนักยิ้มจาง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 ฉันเป็นผู้ที่ขอร้องขอฝากระพินไว้กับคุณด้วยซึ่งคุณก็รับปากกับฉันอย่างมั่นคงที่สุดเราไม่ใช่คนแปลกหน้ากันเลยทั้งทั้งที่ในโลกของภูมิศาสตร์เราไม่เคยได้พบกันมาก่อนนอกจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกเสียงของดารินแผ่วเหมือนกระซิบฉันดีใจดีใจที่พบตัวจริงคุณณตำแหน่งที่คุณเขาจะรดขอบฟ้าแห่งนี้และดีใจที่สุด แทนให้แก่ระพินด้วยไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นที่ภาวนาร่ำร้องเอาไว้ในเรื่องนี้ฉันเองก็ภาวนาเหมือนกันและภาวนาไม่น้อยไปกว่าเขาที่จะให้ความฝันนี้กลายเป็นความจริงขึ้นมาก่อนที่ฉันจะเห็นเขาล้มลงไปสิ้นลมหายใจด้วยความทุกข์ระทมเพราะพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่สุดของชีวิตของเขาเขาล้มอยู่หลายครั้งหมดสติเพอ้อพกอยู่หลายคราว ฉันขอยืนยันว่าเขาจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อคุณหญิงอย่างชนิดที่จะหาไม่ได้อีกแล้วในความรักชนิดนี้จากผู้ชายคนไหนทั้งสิ้นราชสกุลสาวสูดลมหายใจลึกชำเลืองตาค้นหาสุภาพบุรุษไพรผู้นั้นซึ่งหล่อนเห็นเขายืนพูดอะไรกับเท่าอรชุนห่างออกไปส่วนคนอื่นๆก็อยู่ในระหว่างพลุกพล่านสับสน พูดจาทักทายกันอยู่จ้าละวันเช่นเดิมชั้นปีติและมีความภาคภูมิใจที่สุดเมื่อได้ยินคําพูดจากคุณเช่นนี้คริสเพราะฉั้นเองก็หวังไว้เช่นนั้นอย่างเต็มเปี่ยมและสิ่งที่คุณพูดกับชั้นฉั้นก็สัมผัสได้ว่ามันออกมาจากแก่นแท้ใจจริงของคุณโดยปราศจากการเสแสร้งใดๆทั้งสิน้นแล้วหล่อนก็ดึงคริสเข้ามากอดไว้ซึ่งแม่ผมทองโอบรัดหล่อนไว้แน่นที่สุด ดารินกล่าวแผ่วเบาต่อไปว่าแต่ขอให้คุณจงมั่นใจเถิดว่าบุรุษผู้มีน้ำใจประดุดเพชรคนนั้นจะไม่มีวันล้มลงอย่างหมดแรงสิ้นหวังประโมแต่คิดถึงผู้หญิงคนที่เขารักและต้องพลัดพรากมาหรอกเขาจะต้องรับใช้ทำงานให้พวกคุณได้อย่างสำเร็จผลสมบูรณ์ทุกอย่างตามข้อสัญญาเสียก่อนแม้ว่าเขาจะไม่ได้พบชันที่นี่หรือที่ไหนก็ตาม การมาด้วยกันในครั้งนี้คุณและพวกคุณคงจะได้รู้จักเขาดีแล้วแต่ถึงอย่างไรก็คงไม่รู้จักธรรมชาติแท้จริงของเขาได้มากเท่าฉันหรอกพวกเรารู้แต่เพียงว่าในชีวิตของเราไม่เคยเห็นใครเหมือนอย่างเขามาก่อนและไม่เคยคิดว่าคนประเภทนี้จะมีอยู่ในโลกคุณธรรมมนุษยธรรมสัตจั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 จากสภาพตายแล้วเกิดใหม่ของพวกเราคนละหลายหลายครั้งเขาก็นำเรามาสัมฤทธิ์ตามข้อสัญญาตกลงจนได้คริสพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือน้อยๆริมหูของดารินราชสกุลสาวลูกที่แผ่นหลังของแม่ผมทองด้วยมืออันอ่อนโยนกรุณาจำไว้เถิดว่านี่คือพรานนำทางที่ชื่อรัพินไพรวันไม่เหมือนใครในโลกนี้หรอก จึงสามารถนำพวกคุณออกมาพ้นจากโลกของภูมิศาสตร์ได้และได้มาพบมาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างกับตาตนเองชนิดที่จะนำกลับไปเล่าสู่ใครฟังไม่ได้เลยเพราะจะไม่มีใครเชื่อเป็นอันขาดถ้าเขาไม่ใช่คนมหัศจรรย์แบบนี้เขาจะนำทางพวกคุณมาไม่ถึงที่นี่แม่ผมทองขยับตัวออกจากการสวมกอดดารินแต่มือทั้งสองยังคงจับมือของหล่อนไวเช่นเดิม รอยยิ้มของคริสเริ่มจะสว่างแจ่มใสขึ้นเหมือนจะเริ่มมีความปลอดโปร่งสบายใจขึ้นกว่าครั้งแรกเพราะอย่างสัมผัสได้แล้วว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีอาการตั้งแง่หรือมองตอนเองไปในทางลบเลยคุณหญิงเป็นคนมีความกรุณาต่อพวกเรามากบอกตามตรงว่าครั้งแรกฉันมีความรู้สึกอึดอัดขัดข้องในการที่เราจะต้องพบป ะ, ะเผชิญหน้า ทั้งๆที่ดีใจแต่ก็ไม่สบายใจอย่างไรบอกไม่ถูกยังงั้นหรือดารินเลิกคิ้วซ่อนยิ้มมีอะไรที่ทำให้คุณต้องคิดเช่นนั้นฉันเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมจะต้องคิดเช่นนั้นอย่างน้อยที่สุดเราก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจในกรณีที่ว่าเราเป็นสาเหตุให้คู่รักทั้งสองต้องพลัดพรากจากกันแต่เราไม่ทราบความจริงมาก่อนและไม่ได้ตั้งใจเลย เราคิดว่าคุณหญิงคงจะโกรธเรามากพระพินอาจมาได้รับอันตรายต่างๆาอาจไม่ได้กลับไปให้คุณหญิงได้พบเห็นหน้าอีกหญิงสาว ส, าสันศีสะช้าชา้ายิ้มให้อย่างปราณีอย่าคิดอะไรให้มากมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมชีวิตมนุษย์ทุกคนล้วนมีวิบากกรรมด้วยกันทั้งนั้นพวกคุณเองก็เหมือนกัน อยู่ดีไม่ว่าดีก็ต้องถูกหน่วยเนือกำหนดให้ต้องมาสมซานยากแค้นแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอย่างนี้ฉันไม่โทษพวกคุณและพวกคุณก็ต้องไม่โทษตัวเองควรจะเหลือไว้แต่เฉพาะความยินดีที่เราทั้งสองฝ่ายได้พบกันที่นี่สามารถจะทำความเข้าใจกันได้อย่างมิตรไม่ใช่มองกันแต่และฝ่ายเป็นศัตรูเบลได้ยินคาพูดโต้อตอบนั้นอยู่ ก้าวเข้ามาใกล้อีกครั้งเอ่ยต่าๆว่าหมอดารินคุณเป็นคนดีมากดีอย่างสมควรเคียงคู่กับชายที่ชื่อระพินคนนั้นทุกประการในนามของพวกเราทั้งหมดฉันและคริสขอคาระวะไม่มีข้อสงสัยอะไรหลงเหลืออยู่อีกแล้วเสียงคริสพึมพำต่อไปขณะที่มองดูราชสกุลสาวอย่างชื่นชมจากใจจริงว่าทาไม เขาจึงรักคุณหญิงและทำไมคุณหญิงจึงรักเขาถ้าแท้แก่นลึกของคุณหญิงและของเขาทัดเทียมเสมอกันทุกอย่างคุณเคยสงสัยมาก่อนงั้นหรือดารินย้อนถามคริสยิ้มเปิดเผยออกมาเป็นครั้งแรกแต่หลบตาไปใช่เคยสงสัยเป็นอย่างมากแล้วคุณได้ทำอะไรบ้างละ่ะเกี่ยวกับความสงสัยในข้อนั้นคริสยิ้มนิดหนึ่ง แล้วยักไหล่กอดดารินไว้อีกครั้งระพินก็คือระพินฉันอธิบายได้เพียงแค่นี้คุณหญิงรักผู้ชายคนนั้นไม่ผิดแล้วเขาซื่อสัตย์ต่อผู้หญิงคนที่เขารักอย่างแท้จริงชนิดที่ไม่มีอะไรมาทําให้สั่นไหวเปลี่ยนแปลงได้เลยจนบางขณะดูเหมือนคนไร้วิญญาณฉันแทบไม่เชื่อว่าความรักความถือสัจจะเช่นนี้จะมีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันมีสิ ต้องมีแน่ๆอย่างน้อยที่สุดคุณทั้งสองคนก็คงเห็นแล้วในชายหญิงคู่หนึ่งดารินเน้นเสียงชัดถ้อยชัดคำอย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมขณะนั้นชายยันก็ก้าวเข้ามาทำท่าเหมือนจะร่วมวงด้วยพร้อมกับบอกปนหัวเราะว่าเอ๊ะสุภาพสตรีสามคนนี่ดูเหมือนจะมีเรื่องคุยกันยาวกว่าคนอื่นๆแฮะขอร่วมวงด้วยคนได้ไหม ราชสกุลสาวเอามือยันอกเพื่อนชายไว้แล้วผลักเบาๆบอกว่าขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะของผู้หญิงก่อนดีกว่าเธอไปคุยกับเคเนลคิดด็อเตอร์สแตลลี่และคุณเชิดวุดโนนอย่าเพิ่งเข้ามายุ่งชยยนเลิกคิ้วหัวเราะหึ่หในลำคออย่างเข้าใจพยักหน้างึกๆงึกแล้วถอยผออกไปโดยดี ขณะนี้เชษฐาอนุชากำลังเข้าไปพูดจาสนทนาทักทายอยู่กับกลุ่มลูกน้องสี่คนของรพินซึ่งพากันเฮรโรมารุมล้อมเสียงซัดไปหมดและรพินกับวามิธพรมเมธและขุนพลเท่าอรชุนก็เข้าไปร่วมวงอยู่ด้วยเราได้ทราบเรื่องเมื่อเช้านี้เองว่ารพินได้ไปพบกับคณะของคุณก่อนแล้วเมื่อตอนใกล้รุ่ง แล้วเราก็เพิ่งได้ทราบกันตอนนั้นเองว่าคณะของคุณได้มาถึงและรออยู่ก่อนแล้วเบลเอ่ยขึ้นต่อมาอย่างเป็นกันเองถูกต้องเขาได้มาพบเราก่อนแล้วกลางดึกระหว่างที่พวกคุณนอนพักหลับกันอยู่เพราะทางฝ่ายมรกรณครต้องการให้เขาได้มีโอกาสพบกับเราก่อนที่จะมาพบทั้งกลุ่มในวันนี้ดารินรับโดยตรงเขาพูดถึงฝ่ายเราอย่างไรบ้างคริสถามเบาๆ เ, เ, เหมือนจะเป็นการหยั่งเสียง เขาบอกกับเราว่าพวกคุณคือนายจ้างและมิตรที่ดีของเขาโดยเฉพาะคุณสองคนหล่อนมองหน้าคริสและเบรวสลับกันใบหน้ายังละไมไปด้วยรอยยิ้มเขาก็บอกว่ามีความกรุณากับเขาดีมากระหว่างที่เขาเจ็บป่วยจากคําพูดของเขาฉันรับรองได้ว่าเขารักพวกคุณทุกคนซึ่งพวกคุณก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วอ้ขอขาถามอะไรคุณสองคนหน่อยเมื่อครู่นี้ก็โมแต่ตื่นเต้นที่ได้พก มัวแต่พูดกันถึงเรื่องอื่นหมดฉันสงสัยว่าพวกของฝ่ายฉันได้รับคําสั่งให้เดินทางมาที่ท้องพระโรงที่ออกราชการแผ่นดินนี้ทีหลังพวกคุณแต่เมื่อเรามาถึงที่นี่พวกคุณไปอยู่สือที่ไหนไม่ได้เข้ามาในสถานที่นี้ก่อนแล้วหรอกหรือเราได้รับคําสั่งโดยอ้างว่าเป็นคําสั่งของราชินีผู้สําเร็จราชการแผ่นดินที่นี่ให้เดินทางมาเพื่อพบปะกับฝ่ายของคุณเวลเป็นคนบอก แต่พวกเรายังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามายัางปราสาทใหญ่แห่งนี้แต่ให้รออยู่ที่ตำหนักแห่งหนึ่งก่อนเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราจะต้องรออยู่ที่นั่นจนกระทั่งเป็นเวลานา น, านพอสมควรทีเดียวทหารจึงไปนำเราเข้ามาที่นี่และได้พบกับพวกคุณยืนรอคอยอยู่แล้วพวกคุณยังไม่ได้มีโอกาสพบกับราชนีผู้สมเร็จราชการแผ่นดินเลยหรือทั้งคริสและเบลสันศรีษะเรายังไม่มีโอกาสได้พบเห็นเลย ดารินพยักหน้าช้าๆบัดนี้หลอนเริ่มเข้าใจแล้วว่าเมยานีให้เกียรติฝ่ายของหลอนมากกว่าโดยยังไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายของสแตอลี่เข้าเฝ้าหรือพบเห็นเลยรอคอยให้พวกหลอนมาถึงพร้อมเสียก่อนอย่างที่แห่งนี้จึงให้นำคณะของสแตอลี่เข้ามาภายหลังซึ่งตัวนางเองก็ปลีกหลบไปเสียปล่อยให้ได้พบปะกันตามลาพังทั้งสองฝ่ายตามสบายก่อนเพราะฉะนั้น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 สิ่งที่เรายังมืดมนอยู่ในขณะนี้ก็คือมหากัตร์จักราชผู้ครองแผ่นดินไม่ทราบว่าทรงทำอะไรประทับอยู่ที่ไหนและจะให้เราเข้าเฝ้าได้เมื่อไรอย่างไรอีกประการหนึ่งก็คือซ่าเครื่องบี52องของพวกคุณที่มาอับปางอยู่ที่นี่พวกเราก็กำลังรอฟังข่าวอยู่เหมือนกันว่าทางมรดกนครจะอนุญาตแกเราอย่างไรในขอเขตแค่ไหนและวันนี้เราจะทาอะไรได้บ้าง คริสบอกมาโดยเร็วถ้างั้นจะเยนเ็ยนๆไว้ก่อนประเดี๋ยวคงจะรู้เอาละเราคงจะมีเวลาคุยกันอีกมากภายหลังตอนนี้ขอให้ชั้นได้มีโอกาสไปพบกับลูกศิษย์สี่คนของรพินนั่นก่อนตั้งแต่โปร่เข้ามายัางไม่ได้พูดกันสักคำเขาเป็นคนของชั้นเหมือนกันแต่พวกคุณโชคดีที่มีพวกเขาทั้งสี่คนติดสอยห้อยตามรพินมาด้วย ทุกคนเป็นพรานมือดีและสามารถจะรับคำสั่งจากพรานใหญ่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างในป่าได้อย่างวิเศษสุดวางใจได้เสมอทางฝ่ายชั้นเสอีกที่เสี่ยงมากมีพรานแ ก, แก่เพียงคนเดียวคือนานอินแล้วก็เจ้ากระเรียงร่างใหญ่ที่ชื่อขยินคนนั้นมาเป็นเพื่อนแค่สองคนเท่านั้นแต่ทางเราก็มีปาติหารมาถึงที่นี่ได้ก่อนพวกคุณซึ่งมีละพินนำเสียซ้ำไป ว่าแล้วดารินก็ตบแขนทั้งสองแหม่มสาวเบาๆพรางขยับจะออกเดินปรีกตัวไปยังกลุ่มพรานพื้นเมืองของรพินแต่ชะงักหันกลับเมื่อเบลเรียกมาเบาๆว่าหมอดารินรอเดียวทั้งสองคนถ้าคิดว่าฉันเป็นเพื่อนลอนบอกปนหัวเราะชี้มาที่คริสและเบลผู้กำลังจะ ก, ก้าวตามหลังมาเบลอย่าเรียกฉันว่าหมอดาริน และคริสก็อย่าเรียกฉันว่าคุณหญิงเรียกฉันง่ายๆว่าน้อยคำเดียวง่ายๆดีเข้าใจไหมทั้งสองมองดูหน้ากันเองนิดหนึ่งแล้วหันมายิ้มให้หล่อนบอกอย่างว่าง่ายว่าตกลงน้อยดีมากเบลเรียกฉันเมื่อกี้นี้มีอะไรหรือไม่เป็นไรไม่มีเรื่องอะไรสำคัญหรอกไปพบคนเก่าแก่ของเธอเสียก่อนก็ได้น้อยแล้วเราค่อยคุยกันทีหลัง บุญคำจันเกิดและเสยซึ่งขณะนี้กำลังยืนพูดเจ้ยแจ้วอยู่กับเชษฐาอนุชาชายันรวมทั้งขยินและนานอินพอเหลือบมาเห็นนายหญิงเดินปรีเข้ามาทั้งสี่ก็พละออกจากกลุ่มนั้นเฮรโรเข้ามากลุ่มรุมล้อมรอบตัวหญิงสาวไว้แต่เบงเสียงแซดจนฟังไม่ได้สับไปหมด พวกนั้นแสดงออกถึงความปิติยินดีที่ได้พบเห็นหล่อนอย่างล้นเหลือและเป็นการแสดงออกมาจากความรู้สึกโดยไม่จำเป็นจะต้องระมัดระวังสะกดกลั่นทั้งสีคนกระโดดโลดเต้นอยู่รอบๆตัวหล่อนมีอาการเหมือนอยากจะช่วยกันจับอุ้มแล้วโยนขึ้นฉะนั้นดารินเองชะนี้ก็ได้แต่ยืนหัวเราะทั้งน้ำตาอยู่กลางวงล้อมของพวกนั้นตื้นตันจดพูดอะไรไม่ออกอยู่พักใหญ่ ได้แต่เรียกชื่อแต่ละคนแล้วเอื้อมมือไปจับเนื้อตัวไว้อย่างรักสนิทใจที่สุดบุญคำนั้นถึงกับคว้ า, ามือนายหญิงขึ้นไปวางไว้บนกระบาลอันเต็มไปด้วยเส้นผมขอดหยิกย้อยของแกชายโยแม่เจ้าประคุณทูลหัวนายหญิงของบุญคำคิดถึงเหลือเกินคิดว่าชาตินี้พวกเราทุกคนคงไม่มีวาสนาไดเห็นนายหญิงอีกแล้วนึกไม่ถึงจริงๆ ว่าพอโผลเข้ามาถึงเมืองของไอ้แง่ายจะได้เห็นนายหญิงกับบรรดาเจ้านายทั้งหลายมารอคอออยู่ก่อนแล้วเห็นครั้งแรกนึกว่าตาฝาดเสียงบุญคำรำพันเร็วปรือลิ้นพันกันดารินเอามือจับแก้มเหี่ยวๆตบๆของสมุนขวาจอมกระล่อนของรพินไว้บีบสั่นโดยแรงฉันก็คิดถึงบุญคำจันเกิดและเสยทุกคนเลยดีใจจนบอกไม่ถูกเหมือนกัน นี่ทุกคนสบายปลอดภัยดีหรือบุญคำแห้งจนเหลือแต่กระดูกแล้วจันก็หน้าดาเหมือนท่านเกิดดูแข็งแรงเป็นหนุ่มชะกันขึ้นอีกมากนะเราส่วนเซยเหมือนเดิมทุกอย่างท่าทางยังแข็งแรงดีทุกคนยิ้มแป้นกลุ่มรุมแข่งกันพูดอยู่กับหลอนจนดารินต้องยกมือขึ้นโบกแล้วร้องเสียงหลงเดี๋ยวพูดกันทีละคนสิหูฉันอื้อไปหมดแล้ว พ่อพวกหนุมานทหารพระรามทั้งหลายเสซนนารอินซึ่งเดินตามเข้ามาหยุดยืนยิ้มยิ้มอยู่ด้วยร้องบอกมาว่าพวกเองสี่ตัวรวมกันเข้ามายังกะจะฉีกถึงนายหญิงให้กลายเป็นผงนั่นแหละค่อยๆพูดจาทักทายนายหญิงท่านก็ได้ไอเวนเฉยเหอะพี่อินเฉยเฉยเฉยนายหญิงเปรียบเสมือนแม่ของพวกข้าทุกคนพี่อินพานายหญิงมาถึงที่นี่ได้นะดีแล้วถ้านายหญิงเป็นอะไรลงไปแล้วก็ ทั้งพี่อินทั้งไอ้ขยินถูกพวกข้ารุมเหยียบจมแผ่นดินชนิดไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดทีเดียวตะคำหันไปแยกเคี้ยวบอกอ้อนี่พวกเองห่วงแต่นายหญิงเท่านั้นเองหรือในายใหญ่นายกลางนายทหารชายยันข้ากับลุงอินพวกเองไม่ห่วงกันมั่งเลยขยินสอดเห้าๆมาอีกคนพวกข้าก็ห่วงเจ้านายทุกคนนั่นแหละวะแต่ห่วงนายหญิงมากกว่า ท่านเป็นผู้หญิงตัวแค่นี้เองอุตส่าห์ดานโด้นมาตามพวกเราแต่สำหรับเองไอ้ขยึกขยินกัลลุงอินสองคนนี่นะข้าไม่ได้ห่วงเลยสักนิดเพราะรู้อยู่ว่าถึงป่าจะถลม่มถึงภูเขาจะทลายเองสองคนก็เอาตัวรอดได้วัญยังคข่ำบุญคำพูดพรางก็เหวี่ยงลูกแปรไปที่ก้นเจ้าขยินลูกไล่เก่าดังป้าบแล้วหันไปคว้าข้อมือนายหญิงอีก แต่จันร์ปัดมือแกเฉออกไปรีบแย่งมือของดารินไปกำรรไว้แน่นหนาจัน์ไม่คิดว่านายหญิงกับพวกเจ้านายทั้งหลายจะใจเด็ดถึงขนาดนี้ที่ตามมาอ้าวทำไมเห็นฉันละพวกฉันเป็นยังไงไปแล้วหรือเราไม่เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมาก่อนหรอกดรวยจันร์ดารินว่ายิ้มยิ้มกำหมัดต่อยขางจันรเบา แล้วอบมือทั้งสองข้างไปคว้าคอเกิดกับเสยไว้คนละข้างเขย่าไปมาอย่างเอ็นดูปากก็ถามว่าไงเราสองคนไม่เสียแรงเลยนะที่เป็นลูกศิษย์ของรพินยังเก่งกล้าสามารถอยู่เหมือนเดิมสองครา น, นุ่มยิ้มยิงฟันพวกเราสี่คนไม่มีใครลืมนายหญิงเลยครับถึงไม่มีนายหญิงมาด้วยกับคณะของเรา เราก็คิดถึงนายหญิงอยู่ตลอดเวลาทุกวันยิ่งปวดหัวตัวร้อนก็ยิ่งคิดถึงนายหญิงมากขึ้นไปอีกทำไมก็แม่มคริสก็แมมเบลนั่นเขาก็เป็นหมอเขาไม่รักษาพยาบาลมีความเมตตาปราณีกับเกิดเสยหลอห่อพลึกดารินพูดปนหัวเราะเกิดเสียงอ่อยลงแมมเวลกับแม่มคริสแก่ก็ดีอยู่หรอกนายหญิงแต่จะให้เหมือนนายหญิงของพวกเราได้ยังไง นายหญิงคงลำบากยากแค้นมากนะที่มาในครั้งนี้แล้วก็คงไม่มีใครดูแลรับใช้นายหญิงได้ดีไปกว่าพวกเราสี่คนจะลำบากขนาดไหนฉันก็ต้องทนและผ่านพ้นมาได้แล้วและเดี๋ยวนี้ไม่มีความเหนื่อยเหลืออยู่อีกเลยเมื่อมาเจอหน้าพวกเราทุกคนเหมือนอย่างที่หวังไว้ทั้งๆ ท, ที่เป็นความหวังลมๆแรงๆเหลือเกินขอบใจบุญคําจันท์เกิดและเสยมากที่ไม่ยอมทิ้งเจ้านาย อุตสาห์ติดตามมาด้วยในครั้งนี้โทษพูดอะไรอย่างงั้นนายหญิงบุญคำก็ไอ้พวกนี้ใครจะทิ้งนายรพินได้แกมาพวกไอ้คำก็ต้องมาปล่อยให้แกนำทางมาคนเดียวได้เมื่อไหร่ต้องตามมาเป็นทศกัณ์เอาไว้ประโยคท้ายบุญคำแผ่วเสียงลงและทํำบุยใบ้ปากไปทางด้านคริสติน่าและเวลขณะนี้กำลังยืนสนทนาอยู่กับเชษฐาและอนุชา รวมเชิดวุฒิอีกกลุ่มหนึ่งดารินโอมยิ้มรีตาให้ผู้เสียงหนักๆในลำคอนี่พวกบุญคำน่ารักที่สุดก็ตรงนี้แหละและยังไงทศ ก, การทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนละ่ะบุญคำทำหน้าขึงขังโอ้ยรับรองกระดิกตัวไปไหนไม่ได้หรอกนายหญิงบุญคำเฝ้าตลอดเวลา24ชั่วโมงของแต่ละวันลองดูสิ ยื่นคำขาดไว้แล้วว่าต้องห้ามคืนฝ่าฝืนวินยัยบุญคำจะถ่องเสียทั้งคู่แหละแล้วแกก็อา้าปากหัวรอแบบไม่มีเสียงชำเลืองหาระพินเมื่อเห็นเขายืนอยู่ไกลออกไปก็ค่อยออกเสียงหัวราอดังออกมาดารินหัวราอคิกเอาเนิ้วดีดหน้าอกแกโดยแรงไอ้ที่ว่าเฝ้านะเฝ้าระพินหรือว่าเฝ้าแหม่มกันแน่เฝ้าแหม่มนายหญิง เฝ้าตอนจะลงอาบน้ำกับตอนผัดเสื้อผ้ามีกล้องด้วยจันกระซิบกับนายหญิงหน้าตาเฉยตะคำร้องเจี๊ยกดาาขโมงโฉงเฉงขยับตีนร่าขึ้นแต่จันรู้ทันหมุนตัวไปบังอยู่หลังนานอินเสียครูพรานยกมือขึ้นชี้หน้าถ้ามึงถีบผิดมาถูกกูแล้วก็กูจะล่อฟันกระลอกที่มีอยู่สองซี่ของมึงออกเสียด้วยด้ามปืนนี่ไอ้เท่าธรรม ตะคําเบะปากใส่ขยับท่าขึงขังนิดหนึ่งแล้วก็ค้อนขวบหันไปพูดประจบประแจงนายหญิงตามเดิมแกกล้าเตะคนในป่าทุกคนได้ไม่เลือกหน้าไม่กล้าอยู่คนเดียวกับนานอินเท่านั้นเพราะคนละรุ่นกันบุญคำไม่ได้เฝ้าแห ม, แมอย่างนั้นนายหญิงอย่าไปฟังไอ้ปากหมาจันบุญคำคอยดูแลนายรัพินไว้ไม่ให้แกทาอะไรนอกลูก่นอกทางเตือนให้แกคิดถึงนายหญิงไว้ให้มากๆ นยายหญิงอย่าไปเชื่อพี่คำแกจะไปห้ามอะไรนายรับผินได้มีแต่จะถูกถีบออกมาถ้านายรับผินแกไม่ใช่คนดีด้วยตัวเองสอย่าง